บทที่สิอิสระภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตนอิสระสองประเภทในโลกเรานี้เราจะพบว่ามีความเป็นอิสระ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 เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในชุมชนที่อยู่อย่างเรียบง่ายและประจักษ์เหมือนวัดของอาตมาผู้คนที่อยู่อาศัยรู้สึกถึงความเป็นอิสระอย่างชัดเจน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 สำหรับปลานอกตู้ทั้งหลายการกินนั้นย่อมเต็มไปด้วยพยันตรรายและบ่อยครั้งที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมจะกินอาหารมือใหญ่เมื่อไหร่ก็ต้องคิดหนักทุกทีบรรดาปลาทั้งหลายน่าจะต้องเป็นโรคกระเพาะไปตามๆกันด้วยความเครียดในการกินแล้วเจ้าตัวที่หวาดระแวงมากๆคงหิวตายแน่แน ขณะที่ปลาอยู่ตามธรรมชาติเนโรคจิตกันเป็นแถวปลาในตู้กลับปลอดภัยจากพยันตรายเหล่านี้สองปลาในธรรมชาติยังต้องกังวลเรื่องจะโดนปลาที่ตัวโตกว่ากินมันอีกด้วย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 น้ำก็อาจจะอุ่นเกินไปสําหรับปลาหรือถึงกับแห้งคอดไปเลยแต่ปลาในตู้เสมือนมีเครื่องปรับอากาศวงจรสลับอัตโนมัติอุณหภูมิของน้ําในตู้ปลาถูกปรับให้คงที่และสบายตลอดวันตลอดปีดังนั้นปลาในตู้จึงเป็นอิสระจากความเดือดร้อนเรื่องความร้อนความเย็น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 แต่มันก็เป็นอิสระจากพยันตรายและความทุกนานาประการแล้วพระอวโสก็อธิบายต่อไปว่าเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ส่งศีลจริงอยู่ที่ท่านไม่มีอิสระที่จะทำตามความอยากต่างๆนานาและหลงระเลิงไปทางนน้นทีทางนี้ทีแต่ท่านก็เป็นอิสระจากพยันตรายและความทุกนานาประการ นโยบาะต้องการความเป็นอิสระชนิดไหน พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของอาตมาได้ไปสอนการฝึกสมาธิในเรือนจำใหม่แห่งหนึ่งใกล้เมืองเพิรที่มีการควบคุมเข้มงวดรัดกุมที่สุดเป็นเวลาหลายอาทิตย์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 มีรัทวกรรมสากลวันหนึ่งอาตมาได้รับนิมนต์ให้เป็นรูงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่าซึ่งองค์กรเนียรัทศสกรรมสากลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อาตามาได้ตอบจดหมายไปดังนี้เรียนคุณจูเลียอาตามาได้รับจดหมายของโยงที่นิมอนต์อาตามาไปร่วมรับประธานอาหารค่ำในโอกาสครบรอบ50ปีของปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมศนี้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 ซึ่งอาตมาเชื่อแน่ว่าจะต้องมีรสชาติเป็นเลิมันคงจะเป็นการทรมานในรูปแบบหนึง่งสำหรับอาตมาซึ่งองค์กรนี่รับโทษกรรมสากลของโยมคงจะไม่เห็นชอบ้เป็นแน่นอกจากนั้นในฐานะประสงค์ อาตมาไม่อาจรับเงินทองหรือครอบครองเงินทองได้อาตมาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะอยู่ในกลุ่มจนสุดของประเทศดังนั้นถึงจะชันได้อาตมาก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าอาหารข้ามือนี้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 ด้วยความยากจนอันสุขอีพรม พ ร, พระสงค์เรานุ่งห่มจีวรสีกรักและนั่นคือทั้งหมดที่เรามีเมื่อสองสามปีที่แล้ว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 เพื่อจะมาพูดกับอาตมาเธอไม่เคยเห็นพระในพุทธศาสนามาก่อนเธอยือนอยู่ตรงหน้าอาตมามือเท้าวสะเอวมองอาตมาขึ้นขึ้นลงลงด้วยสายตาดูหมิ่นดูแคลนแล้วเธอก็เริ่มตุว่าอาตมาด้วยซุ่มเสียงที่เต็มไปด้วยความรังเกียจขยักขยงคนอะไรแต่งตัวอย่างกระเด็กผู้หญิง หน้าตุเรศแยะเธอทงท่าเวอร์มากมากได้จนอาตมาอดหัวเราะไม่ได้และอาตมา ก, ก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ของอาตมาหลวงพ่อชาที่ได้สอนลูกศิษย์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อโดนคนด่าว่า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 คุณดูสวยเสด็จไปเลยอาตมาขอสารภาพว่าอาตมาเหนื่อแตกเลยพอดีคนขับรถโผร่มาจากโกรงหนังมาช่วยเหลืออาตมาได้ทันการตั้งแต่นั้นมาเราจึงใช้แต่ห้องน้ำของอาคารจอดรถเท่านั้น น้ำที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่อาตมาได้รับเมื่อครั้งอาตมาเริ่มเป็นครูสอนในโรงเรียนคือเมื่อเราทำอะไรผิดและนักเรียนของเราเริ่มจะหัวเราะเราจงหัวเราะไปกับเขาด้วยวิธีการนี้นักเรียนจะไม่เคยหัวเราะใส่เราแต่เขาจะหัวเราะไปกับเรา ห้ปีต่อมาเมื่ออาตมาเป็นพระทําหน้าที่สอนในเมืองเพิร์อาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปเทศตามโรงเรียนมัธยมต่างๆในวิชาพุทธศาสนานักเรียนวัยรุ่นชาวตะวันตกมักจะชอบทดสอบอาตมาด้วยการพยายามแย่ให้อาตมาเขินครั้งหนึ่ง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 โชคดีที่เด็กหญิงคนอื่นๆในชั้นเข้ามาช่วยอาตมาไว้ด้วยการต่อว่าเด็กหญิงคนนั้นว่าทำให้พวกเธอทุกคนอับอายสำหรับอาตมานั้นอาตมาหัวเราะและว้วก็จดเรื่องนี้ไว้ในสมุดนัดเพื่อจะใช้ในการบรรยายครั้งต่อไป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 เมื่อรถสามล้อวิ him, ่งผ่านบาร์ข้างถนนแถวแถวชานเมืองที่เพื่อนๆนของคนขี่สามล้อกำลังนั่งดื่มและเริ่มจะเมาได้ที่แล้วพวกเขาตะโกนเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยเอ็งจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนั้นไปไหนวะพูดแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันชี้มือชี้ไม้มาที่ทหารอเมริกันคนนั้น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 ผู้ใดยังมีความโกรธผู้นั้นยังไม่บรรลุแน่พระหนุ่มชาวญี่ปุ่นองค์หนึ่งมุ่ง ม, มั่นที่จะไปให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ท่านปลีกวิเวกเพื่อภาวนาอยู่บนเกาะกลางทะเลสาใกล้ๆวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งท่านต้องการที่จะบรรลุธรรมโดยเร็ว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 ท่านกำลังจะครบกำหนดการปรีกวิเวกเป็นเวลาสามปีและต้องการที่จะรายงานให้ท่านจเจ้าอาวาได้ทราบว่าท่านปฏิบัติได้ผลดีไปถึงไหนแผ่นหนังปากกาขนนกและหมึกมาถึงหมือท่านในอาทิตย์ถัดมา สองสาวันถัดมาหลังจากที่ท่านได้ทำสมาธิและคิดพิจารณาท่านได้บรรจงเขียนคำประพันธ์สั้นๆบนแผ่นหนังคุณภาพดีด้วยลายมือประณีตสวยงามที่สุดว่าพระนมุมผู้ไม่ประมาทปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามลพังถึงสามปีไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลกลมทั้งสี่แห่งโลกในที่นี้หมายถึงโล ก, กธรรมแต่โดยปกติแล้วฝ่ายเทรวาธถือว่าโล ก, กธรรมมีแปคือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสันเสริญสุขและถูก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 ลูกศิษย์ของท่านบรรลุธรรมแล้วพระหนุ่มบรรจงม้วนแผ่นหนังนั้นมัดอย่างระมัดระวังด้วยริบินแล้วรอเวลาที่สารจะถึงมือท่านอาจารย์วันเวลาหลังจากนั้น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 มันช่างเป็นความรู้สึกดีจริงๆที่ไหนที่สุดท่านก็ทำสำเร็จเมื่อผู้ดูแลวัดพายเรือลำเล็กๆมาถึงเกาะเพื่อส่งของใช้ประจำอาทิตย์พระหนุ่มก็รอเข้าอยู่แล้วผู้ดูแลวัดมอบม้วนแผ่นหนังคล้ายๆที่ท่านได้ส่งออกไปเพียงแค่ผูกริบบิ้นคนลสีเท่านั้นให้แก่ท่าน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 หน้าของท่านก็เผือดขาวมันเป็นแผ่นหนังของท่านเองแต่ที่ท้ายประโยคแรกซึ่งท่านบันจงเขียนไว้อย่างประนีตงดงามนั้นท่านจะอาวาดได้ต่อเติมคำว่าตดลงไปโดยใช้ปากกาหมึกแดงด้วยลายมือวัดๆอย่างช่วยๆและหยาบที่สุดทางด้านขวาของบรรทัดที่สอง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 จะโง่จนไม่สามารถตระหนักได้ถึงการบรรลุธรรมที่อยู่ตรงหน้าจมูกอ้วนๆของท่านแล้วท่านยังสุดจะไร้มารยาทและป่าเถื่อนที่มาทําลายงานศิลปะด้วยการเขียนคำห ย, ยาบๆลงไปอีกด้วยท่านเจออ้าวาดช่างประพฤตินตนเยี่ยงนักเลงไม่ใช่พระเป็นการศกประมาททั้งงานศิลปะขนบธรรมเนียมและความจริง ดวงตาของพระนุ่มตรีลงด้วยความโกรธเคืองหน้าของท่านแดงกำ่ำด้วยแรงมานะและโทษสัแล้วท่านก็เค้นเสียงออกมาสั่งคนดูแลวัดว่าพาอาตมาไปหาเจ้าวาดเดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งแรกในเวลาสามปีที่พระนุ่มได้ออกจากอาสมบนเกาะด้วยความเดือดร้อน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 ปฏสมาธิภาวนาตามลำพังถึงสามปีไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเพราะลมทั้งสี่แห่งโลท่านวางม้วนแผ่นหนังลงจ้องมองพระนุ่มแล้วกล่าวต่อว่าอืมแล้วไงล่ะพระนุ่ม ลมทั้งสีแห่งโลกไม่สามารถจะเคลื่อนท่านได้อีกต่อไปแต่เพียงแค่ลมตบเล็กๆทั้งสีนี้ยังเป่าท่านกระเจิงข้ามทะเลสาบมาถึงที่นี้ได้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 แจ่มใสเป็นพิเศษความรู้อันลึกซึ้งไหลริงเข้ามาเป็นระลอกระลอกราวกับน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาอตมาสามารถเข้าใจถึงสิ่งลึกลับต่างๆซึ่งไม่เคยเข้าถึงมาก่อนและแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้น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 สติ ค, คมชัดราวกับมีดผ่าตัดและสมาธิสามารถรวมได้อย่างง่ายได้การมรรลุธรรมนี้ช่างวิเศษเสียเหลือลเกินในช่างน่าเสียดายนักที่การมรรลุธรรมของอาตมาอยู่ได้ไม่นานที่ภาคีสานในสมัยนั้นอาหารการกินเช่นครั้งหนึ่ง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 ไม่ให้เอาหายปลาร้าประโยช น, น์ทิ้งอาตมาคานว่าแต่มันมีหนอนอยู่ในนั้นนะเขาตอบอาตมาว่าก็ยิ่งอร่อยนะสิแล้วก็ดึงเอาหายนั้นไปจากอาตมาวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ได้ฉันแกงเผ็ดปลาร้า เป็นอาหารมื้อเดียวของเราในวันที่อาตมาบารรลุธรรมนั้นอาตมาแปลกใจที่เห็นแกงถึงสองหม้อที่จะมาช่วยชูวร์เสข้าวเหนียวของเราหม้อหนึ่งก็เป็นแกงเผ็ดปลาร้าเหม็นเม็นเช่นเคยส่วนอีกหม้อหนึ่งเป็นแกงหมูอาตมาคิดในใจอีกว่า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 คนจอมปลอมไอ้หมูไอ้ขี้โกงและแล้วอาตมาก็ฉุกคิดขึ้นได้ผู้ที่ประลุทำแล้วย่อมไม่เลือกอาหารว่าชอบนั่นไม่ชอบนี้ย่อมไม่โกรธและไม่เรียกเจ้าอาวาสของตน แม้จะเรียกในใจก็ตามว่าหมูอาตมาน่ะเกิดอาการโกรธแน่ๆและนั่นย่อมหมายความว่าตายแล้วอาตม า, ายังไม่ได้บรรลุธรรมจริงน่ะสิ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 ที่ร่รวยคนหนึ่งเพิ่งซื้อรถสปอร์ตคันใหม่ซึ่งมีกำลังแรงและแพงมากแน่นอนว่าคนเราย่อมไม่จ่ายเงินมากมายขนาดนั้นซื้อรถยนต์ซึ่งมีกำลังแรงสูงเพียงเพื่อจะขับจะช้าอยู่ในเมืองหรอกดังนั้นในวันที่อากาศดีวันหนึ่งคุณหมอจึงขับรถ ออกจากเมืองมุ่งไปยังชนบทที่มีท้องนาอันแสนสงบเมื่อเขาขับไปถึงย่านที่ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วแล้วเขาก็เหยียบพันเร่งจนมิดเพื่อให้รู้สึกถึงกำลังของรถเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นและรถสปอร์ตคันงามก็วิ่งฉิวไปตามถนนในชนบทนั้น คุณหมอยิ้มยังเบิกบานใจด้วยความพอใจในความเร็วสูงนั้นผู้ที่ไม่ค่อยจะเป็นสุขนั้นคือชาวนาผู้กลมแดดกลมฝนผู้ที่ยืนจะงอกอยู่เหนือประตูไร่หมู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 ดังนั้นเขาจึงหันมาและแผดเสียงใส่ชาวนาว่านายด่าไครไม่หมู <c oughs> เพียงแค่สองสามวินาทีที่เขาละสายตาไปจากถนนรถสปอร์ตของเขาก็ชนหมูตัวหนึ่งเรี่ยง กลางถนนนั้นรถสปอร์ตหม่เอีม่มพังยับและเพราะหมูนี่แหละเขาต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายอาทิตย์และเสียงเงินมากมายรวมทั้งรถยนต์ของเขาด้วย ฮาริคริชนาฮาริคริชนาเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาฮินดูซึ่งหนุ่มสาวชาวต่างประเทศหันมานับถือในยุคฮิปปี้มีการร้องคำบริกรรมและการเร่ายรายในที่สาธารณะเป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน ในเรื่องที่แล้วอัตตาตัวตนของคุณหมอทำให้เขาประเมินเสียงร้องเตือนของชาวนาผู้ใจดีผิดไปอย่างแรงในเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้อัตตาตัวตนในความเป็นพระของอาตมาก็ส่งผลให้อาตมาประเมินคนใจดีผิดไปอย่างแรงด้วยทำให้รู้สึกเศร้าใจ อาตมากำลังจะกลับจากการไปเยี่ยมโยมแม่ของอาตมาที่กรุงรันดอนโยมแม่กำลังเดินไปส่งเพื่อจะไปช่วยซื้อตั๋วรถไฟให้อาตมาที่สถานีรถไฟอิลิงบลอดเว่ระหว่างทางไปสถานีบนถนนอิลิงไฮสตรีทที่พลุกพล่านกวักไขวอาตมาได้ยินใครบางคน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 อาตามาเคยโดนกลุ่มวัยรุ่นล้อเลียนด้วยการร้องอาริคริชเฮ้อาริคริชนาและหัวเราะเยาะการแต่งตัวของอาตามาฉะนั้นในครั้งนี้อาตามาจึงรีบมองหาชายคนที่ตะโกนว่าอาริคริช n a และตัดสินใจที่จะเข้าไปจัดการคนที่มาล้อเลียนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในที่สาธารณะเช่นนี้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 ไม่ใช่มาตะโกนฮาริคริชณาใส่อาตมาอย่างนี้พ่อหนุ่มคนนั้นยิ้มแล้วก็เปิดหมวกแกปของเขาเผยให้เห็นหางม้ายาวๆที่ด้านหลังของศีรษะที่โล้นเตียนครับผมรู้ครับก็ตอบท่านเป็นพระในพุทธศาสนาส่วนผมก็เป็นฮาริคริชณาฮาริคริชณาฮาริคริชณา เขาไม่ได้ล้อเรียนอาตมาสักหน่อยเขาเพียงแค่ทากิจของฮาริคิสนาทเท่านั้นอาตมาหน้าแตกจับเยินทำไมเรื่องพันนี้จำพเพาะจอดจงจะต้องมาเกิดต่อหน้าแม่ของเรานะ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 ลักษณะนิสัยของอาตมานั้นนุ่มนวลราวกับถั่วเล็กๆแต่ในเย็นวันนั้นอาตมาเผ็ดร้อนราวกับพลิกขี้หนูไทยทีเดียวอาตมาเทศดุพระรูปวัดอย่างรุนแรงพวกพระจะต้องได้รับบทเรียนและเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาสิ่งของเพียงไม่กี่อย่างที่เราครอบครอง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 ความทรงจำก็ยังสูญหายไปจากอาตมาจนเมื่อดุลุกศิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันจึงหวนกลับมาคนที่ทิ้งคอนไว้นั้นคืออาตมาเองน่าขายหน้านะักโชคดีว่าวัดเราไม่ห้ามใครทำผิดรวมถึงเจ้าอาวาส ด, ด้วย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 ก็เร่งเครื่องผ่านไปการหัวเราะให้กับการศะมาปเช่นนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจะแสดงท่าทางรังเกียจและอับอาย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 ก็สำนึกได้ว่าเราได้ไปปล่อยให้เขาเรียกเราว่าไอ้โง่อีกตั้งสี่ครั้งทุกๆครั้งที่เราคิดว่าเขาว่าเรา <know> เท่ากับเราได้ไปปล่อยให้เขาว่าเราว่าไอ้โง่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ ถ้าใครว่าเราว่าไอ้โง่และเราปล่อยว า, างในทันใดมันก็จะไม่มีอะไรรบ ก, กวนเราได้นี่แหละคือทางออกเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้คนอื่นมาบงการความสุขของเราหละ่ะ